ทำตั้งแต่ต้นมาจนวันนี้และขอปราบน้กมัจรรการากรับในพ อ, พอดูก็คณะญาติโยมสาบวัดบุคโลการนำของพระอาจารย์อุบนอินสยาโนได้เข้ามาสู่ลงโบสถ์ด้วยกันก็โปรดได้รับฟังโอวาทเชื่อเป็นการอนุโมทนาได้บุญและกุศลด้วยกัน ในวันนี้การข้างบุญต่างกุณ์ในทางพระพุทธศาสนานั้ น, นกล่าวไว้ชัดเจนว่าทานิ้นและภาวนาทางการให้และเสียสละการทำบุญพึนทานก็ดีแต่ไม่เท่าที่เราจะมีสศีล ถ้าเรามีกติทัศน์ชันยะมีสิงดีสปติดีภาวะดีสุตใจดีเป็นกุศลดีก็สามารถได้บุญมากประทานธรรมดานี่เราไปทําบุญทูนทานจะไปถวายทั้งาวทานก็ตามไปถวปายกระป่าก็ตามไปถวายก็ะชิงก็ตามไปสร้างโบสถ์พิหารก็ลาลงธรรม จะสร้างฐานะประโยชน์อันใดก็าตามถ้าเราให้หรือสงเคราะห์ในการสร้งางก็ยังไม่ได้เท่าได้บุญเท่ากับมีศีลที่เราจะบำเพ็ญศีลอันนี้สำคัญมากกว่าถ้าเราจะถวายทานก็ก็ต้องมีการรับศีลแต่เราก็รับศีนไปอย่างนั้นเองไม่ได้ปฏิบัติศีล การปฏิบัติสูม น, นก่คือปฏิบัติสติปัฏฐานสีโดยการมีสติรัมัญะควบคุมจิตไม่ได้จึงจะมีประโยชน์ในการให้ทานในสงเคราะห์อมกเคราะ์ซึ่งกันและกันจะได้บุญมากพมขึ้นเท่าก็ตามส่วนที่ทำแต่เราให้ทานธรรมดาช่วยเหลือกันธรรมดานั้นจ ะ, จะวางผลตอบแทน ขอให้บุญค่วยข้รราพเจ้าถี่ขรรา้าพเจ้าทําดยจะถูกปัจจัยถวายสังฆทานถวายพะปาฏาที่จะไปทำบุญทุนทานอันใดก็ตามก็ได้แค่ทานธรรมดาถ้าเรามีศีลมีธรรมยู่ในตัวเองมีกติทังปรัจญยะควบคุมจิตไม่ได้ทานทั้นกบเกิดผลทานจะได้เกิดเ ง, งินสงได้ทํนตายเห็น แต่ก็ยังไม่เท่าภาวนาภาวนาตัวนี้จะเจริญกุศลภาวนาจะเรียกว่าสมาธิภาวนาปรัชนาภาวนาสมาธกรรมฐานปรัชน า, า, า, า, ากรรมฐานเพิ่มเติมเสริมสุดในยุปตึกนั้นก็การให้ทานเนี่ยมันของต่ำบำเพ็ญสิงก็สูงขึ้นเป็นชั้นกลางถ้าเราภาวนาก็สูงผุดในพระพุทธศาสนา ก็สามารถให้เราสาเร็จมาก่อนได้สามารถให้เรากำจัดเหตุและความทั่วออกจากตัวได้เฉพเรียกว่าสูงสดที่อย่างโยมมาเจริญกุศลภาวนานั้นก็ต้องการตุกนี้แต่เรามายังไม่เคยทันทานมาก่อนยังไม่เคยบาเพ็ญศีลมาก่อนแล้วภาวนาก็ยากหน่อยก็ยาก ถ้าเรามีจัยส า, ายมีเมตตาบริจาคทางมาเรื่อยๆบําเพนสิงก็ง่ายขึ้นถ้าเรามีสติสัมปชัญญะสินดูมีปัญญาภาวนาก็ง่ายขึ้นเป็ขั้นตอนของการปฏิบัติถ้าเรามีภาวนาเจริญกุศลภาวนาที่พระพุทธเจ้าวัดสูงสุดในพระพุทธศาสนาเนี่ย ก็มีหน้าที่ธุระอยู่สองประการขั้นถากธุระต้องศึกษาเล่าเรียนวิชาการทังด้านโลกและด้านธรรมมีปัจฉนาธุระก็ต้องการจะมีธุระนาที่ในการปฏิบัติตามวิชาการแผนที่ที่บอกมากระมันคาให้ตามระดับขั้นตอนเพราะฉะนั้นการจเจริญภาวนาจะด้านภาวนาสองสมถะภาวนาวิปัจฉนาภาวนา เราก็ต้องไปลงกรรมฐ า, านก็ขอสรุปใจความว่าเรากำกรรมฐ า, านเป็นหลั ก, กทางธรรมหมายฐานะดีให้มีปัญญาให้มีสติมีความชิดมีความนิเริ่มทาให้ปัญญาแจ่มใสแจ้งชัดด้วยความดีความชั่วของตอนนั้นเองความดีความชั่วของตอนทุกคนรู้ด้วยการทางนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะยับยัง้ง ช่างพุทธมีสติปัญญาได้ก็ะฉะนั้นต้องเจริญกรรมาฐานเจริญสติปัฏฐานคือทางสายเอื้ของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ชัดเจนมากแต่ส่วนใหญ่คนเราทำยังไม่เข้าขั้นตอนยังไม่ได้ผลถทาที่ควรเพราะฉะนั้นต้องการจะได้ผลได้อานิสงก์น่้นก็ต้องทำไปเรื่อยๆโดยเสมอต้อนเสมอปลายทำไปก็เกิดการจั ก, กันจกกรรมาฐาน ที่เราว่ายืนหนอก้าครั้งเบื่องสามปลายผม่อไปเบื่องบนปลายเท้าขึ้นมาก็ต้องทำให้ได้ถึงขั้นตอนขั้นตอนยืนเดินนั่งนอนนั่นเองจะเลี้ยวกายแหลขวาคู่เหยียดเหยียดขากองมีอสกุลสละทายทำยืนหนอห้าครั้งได้คนนั้นจะรู้ภาวะรู้วาลติชของคนได้ที่เราได้จริงได้ตัวจริงขึ้นมาในตัวตน อาจาสย์กำหนดยืนได้ตั้งสติได้แล้วมันจะโล่ง อ, อกโล่งใจจะทําอะไรก็ได้ผลเดินตรงกลมก็ได้ผลเดินกระชาไม่สติยับยัง้งละลึกอยู่เสมอความรู้น่ะมันทําให้เรารู้ว่ามีหรือทั่วคือตัวสัมมัญญปะปัฏฐะรู้ว่ามีหรือทั่วแต่เราจะรำสาดได้หรือไม่งานต้องมีภาวนาให้เข้มแข็งให้มีสติ ดูประจิตได้ผนึกบวกกันเป็นหนึ่งได้มาได้เราจะสามารถจะกําจัดความชั่วตัวตัวได้ถ้าเราไม่สามารถจะทําได้สือไม่พอสมาธิยังอ่อนอยู่สติก็น้อยลงไปความรู้ก็น้อยลงไปความรูกก้ซึ่งไปลึกหนาบางก็น้อยลงไปจึงไม่รู้จริงเลยก็ไปกลายไปรู้หนังสือที่เราดูอ่านหนังสือธรรมะมากเกินไป แต่วิธีปฏิบัติก็จะทําไม่ได้วิธีปฏิบัติ น, นี่มันวิธีอ่านหนังสือไม่มีตัวให้มันฝึกขึ้นมาอย่างจิตใจใช้สะอาดของตอนเองจะได้รู้ว่านือทั่วหรือดีควรจะกําจัดออกไปหรือไม่เการด่ายการภาวนามือต้องการจะ ข, ดขัดกลาพิเดชขัดเกลาอำนาจของเสือที่เกิดช่วยอนานาจโลภะอํานาจโทสะอํานาจโมหาะที่มัเกิดเป็นกิษฐ์ธรรมดา ทำให้เรานองหลวงไหลายชัยทรลงไปสู่ภาวะอันที่ต่ำเรามีสติทัประชัญญะกำหนดได้แตยืนหนอนนี่ยังไ ม, ม่มีใครทำได้สนิทแต่ระการใดจะทำได้แล้วจะเห็นวาระจิตของคนชัดขึ้นเขอเรียกว่ารู้จริงพอเห็นคนแบงมาตั้งสติไว้แล้วก็จะดะอ่อนออกบอกได้ใช่เป็นคนนี้มีสายดีม่ยดีคนนี้หัวขาด ต้องตายก็ไม่ผิดแบบแผดแผนแต่ประการใดแต่ยังมีน้อยคนที่จะทำได้ก็เนื่องจากชัดด่เหตุใดก็ทำแล้วก็เลิกไม่ติดต่อพันตารมันดับทำแล้วก็เลิกทำแล้วก็เลิกจึงไม่รู้จักภาวะของตนสมาธิก็เสื่อมซามบุไปไม่มั่นคงสตูก็พลาจุดก็เหลวแหลกแตกลานไปตามสภาพเหมือนเดิม จิตถไม่เข้าขัน้นจิตก็ไม่ถึงที่หมายตามความประสงค์แล้วจิตมันจะกลับไปที่เดิมได้จิตจากที่เดิมก็กลับไปหาโลภะกลับไปหาโทสะกลับไปหาโมหะแล้วก็ไม่มีสติปัญญาเหมือนอย่างที่เราเจริญกุศลภาวนาอยู่เป็นประจำผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายลงนั้นต้องมีธรรมะประจำจิตก็คือมีสติปร ะ, ะจำใจกาหนดอยู่ตลอดรายการแล้วรับรองเรียบร้อย อยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยอยู่ด้วยความเป็นปกติดีและเราก็จะไม่เหลวแหลกแตกลานจิตจะไม่ผันแปรเปลี่ยนพักจิตจะอยู่ในหลักของสมาธิบัณฑิตภาวนาจิตจะมีศูนย์มีสติควบคุมดีตลอดการชีวิตจะมั่นคงอันนี้เป็นเรื่องหลักของผู้ปฏิบัติธรรมถ้าทำไม่ได้นี่ก็ไม่สามารถจะรู้วารจิตได้ ถ้าทําได้เขาพัามีอปฏิบีรัมชัญญะดูเราก็แผ่เมตตาเราจะถึงกุศลให้ลูกเรียนดังขึ้นเองที่จะแผ่ปวงกุศลให้จิตามานดาผูญญาตาญาที่ร่วงรับไปแล้วถูกสัมปริยพพบก็มาได้ปลาลบปัจจุบันนั่นเองก็จะได้ผลอย่างสมค่ากาชนาถ้าทําไม่ได้ถึกไม่ถึงขั้นและจิตไม่เป็นกุศลยศาคัชนะวิสศษชีไม่เกิดขึ้น จิตไม่ใส่ใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์นะครัก็แผ่เมตตาได้ยากแผ่เมตตาจึงไม่ถึงท่านเมตตานั้นสถึงจะแผ่ไปให้คนทั่ทวไปสัตย์ตาอันนี้นเป็นหลักวิธีการแต่โดยวิธีปฏิบัติและสมมูลเมตตาครบมีสิงครบโดยการปฏิบัตินั้นก็สือก็ดีสัมมัญญะก็ดีและปัญญาก็เกิดขึ้น คนที่จะแผ่เมตตาให้ถึงขั้นถึงจนตัวหนันงสือก็ได้แผ่เมตตาไปยังวาลพุทธของบุคคลที่จะรับได้ก็ไม่อยากเลยแต่เราประทากันไม่ได้ไอ้ที่ทาไม่ได้เนี่ยคือจิตมันฟุน้งซ่านจิตมันเข้าไปหาสิเลหาคะวะไม่หมดชิ่นในขณะนั้นเมตตาไม่มันยังเกลียตอนถือความต้องการของคนที่เมตตาคนที่ไร้เมตตานั้น คนนั้นจะมีกุผลผนเรียกว่าเมตาเชื่อปนไปด้วยในนาประการเมื่อยังความสุขเชื่ยปนไปอยคูความทุกข์นั้นความทุกข์ก็ยังอยู่กับเรามากมายก่ายกองแต่เราไม่สามารถจะกําจัดความทุกข์ออกจากจิตใจได้มันมีแต่ความทึกมันมีแต่ความหยากรมันมีแต่ความหายยะนะกะหลอดเลยตามไหนเลยเราจะทำถึงขั้นนั้นได้ เราจะเริญมกุศมภาวนามันเดินจนกรมโยนกลับไปบ้านก็เดินจนกรมข่อนเสมอส่วนมากมากง่ายไม่เดินจนกรมเอานั่งเลยสมาธิจะได้ย า, ายกการกระหนกก็จะช้าล่าช้าเวลาไปถ้าเราเดินจนกรมเป็ น, อนอประจำแล้วก็นั่งเป็นประจำแล้วอการปฏิบัติมันก็จะได้เพิ่มขึ้น จิตใจจะไม่สูงที่ต่ำจิตใจมันจะค่อยๆขึ้นไปเหมือนเราขึ้นให้สูงสดต้องเกินจากข้างต่ําไปตามระดับชิงยอดุูเขาด่าการเจริงกรรมฐานบางคนทํามั่งไม่ทําบั่งแล้วกลับมาเข้ากรรมฐานออกไปสองวันสามวันก็ทําอะไรยังไม่เด็ดผลยังไม่ได้ในสงสัประการได้พอฝึกเข้าใจแล้วมีมือใชปัจจัยบ้างก็ไปทําที่บ้านได้ไปเจริญกุศลภาวนาให้ สุตใจเท่าขั้นตัวมีจะสึกเป็นประจำธรมะชาญญาัญนยะเราก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาตามนะการแก้ปัญหาก็ง่ายจิตในแมื่อโอกาสใดมีปัญหาอะไรมีครอบครัวเกิดขึ้นเราก็สามารถจะแก้ได้บางคนเแก้ไม่ได้ก็อสอบได้โดยทำกรรมฐานไม่ได้ทำกรรมฐานนี่เป็นประจำชีวิตเกิดขึ้นมามันก็จะแก้ไขไอ้ที่คลร้มคหรือความเจ้าหมองใจได้ง่าย เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี้ไม่ยากเลยแต่เราไม่ใช่ธรรมะรู้วักเราก็มาเด็กําหนดคิดเราก็มาเด็กกาหนดจิตใจฟุ้งซ่านก็มาเดกําหนดสุดทตใจละโสมขมคืนก็มาเด็กําหนดไม่ได้ตั้งเขาือไว้เลยไหนเลยก็จะรู้เลี่ยมกดเห็นกรรมว่าเราทำกรรมอะไรไว้เราก็ไม่รู้แต่สุดกระดุกแน่สามประการเคยพูดมานานแล้วทำกันยังไม่ได้และลึกชาติในชีวิตก็ยังไม่ได้เลย ไหนเลยละปัญก ร, รมว่าตัวเองทํำอะไรไว้เราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะสติไม่พอสติยังไม่พอสติยังน้อยมากยังไม่เต็มแค่สมาธิก็เฉียดไปเฉียดมายังไม่เข้าขัน้นของสมาธิอุปจารและสมาธิอัญนาสมาธิก็เพียงแต่คณิจฉาสมาธิเท่านั้นยังไม่เข้าขัน้นเข้าตอน ถ้าขาดสติด้วยไหนเลยจะรู้กอดทนตามที่ว่าตัวทาอะไรไว้ก็ไม่รู้เลยนะทำกรรันเล็กๆน้อยๆมันจะไปรู้อะไรอันนี้เป็นขอฝากไว้ส่วนมากเอาไปชี้กันหมดจะที่นาทุดายมากธรรมะนี้แปลว่าการปฏิบัติให้มีสติธรรมะการปฏิบัติให้รู้ความอดทนธรรมะการปฏิบัติต้องทําใจให้สะอาดหมดจด ทำใจให้อดทนทำใจให้ต่อสู้กับเหตการณ์ทุกหนะ้าลำบากทุกรการก็สามารถจะผ่านอุปสรรคไปนั่นไปได้อย่างหน้าอนุโมทนาถึงจะเรียกว่าธรรมะธรรมะคือตัวดีส ต, สตูดูทั้งชัญญะดีกาหนดได้มันจะแก้ไขปัญหาได้ทันทีการกาหนดบังทีง ก, งทก็ามาได้จังหวะเชื่อมคล้องค้องข้องนึกออมจากจวะ ก็หายใจช้าหนายาวมั่งไม่เส ม, มอตัวไม่เส ม, มอปลายสมาธิเกิดจะยากสมาธิเกิดได้น้อยมากก็มีสติน้อยสมาธิก็น้อยไปด้วยเลยความรู้ในปัญญาก็หายไปเลยกลายไปรู้ทางโลกีรู้ทางออิจฉาลิสยากรรมปุพยาบาลชาเิเวนกันต่อไปแล้วจะขอเอาโหสิกรรมพระไทยก็ไม่เป็นผลไม่เป็นหน้เป็นผลจัดการใด ก็ขอสากไปทีมันสวดมนต์ภาวนาทั้งสติไหวทุกเมื่อจะทําอะไรก็มีสติตลอดเวลาตามจะหยิบโนงหวยนี่ก็มีสติจะทําอะไรก็คิดก่อนทําอะไรก็ตั้งสติไว้ก่อนนะก็จะเน้นงานทําการแก้ปัญหาก็เกิดเฉพาะหน้าก็แก้ไปได้ตามขณะนั้นปัจจุบันนั้นอ้าดูก็เราไม่รู้พื้น ส่วนคนอื่นแล้วก็อย่ามาคิดผิดผูกชอบแล้วก็ทําในกิจกรรมวันของเราให้มันเสร็จตามทานเวลาอย่าให้ไปเสียสมองเปล่าไม่เกิดประโยชน์ก่อิพผลกับประการใดอนณาพตในวันข้างหน้าอย่าไปมั่นจับมั่นคั่นให้มันตายคิดว่ามันจะได้ความหมายตามอนณาคตนที่ต่างใจไว้มันจะเสียค่าเสียทีจะสร้างความดีไม่ได้มันจะผิดหวังมันจะเสียใจตลอดชีวิต ต้องเอาปัจจุบัน้าไว้ก่อนทำอะไรก็ให้เป็นปัจจุบันไว้ขออนิโมทนาที่ยาจนกลับไปแล้วมันทำมันใช้มันมืดมันลกมันใช้มันก็คมอยู่ตลอดเวลาตารมืไม่ใช้มันก็เป็นสนิมแต่เหมือนจิตใจขาก็ถือมันก็เป็นสนิมในใจมีแต่ความไม่สบายขาเสือไม่มีความสิบ รูวทำไมเอาเนื้อเอาใจจัดการได้เที่ยงพอเพียงแม่ไปตามประาพาท้องกดแห่งกรรมจากการกระทำท้องตอนนั้นเองถ้าคนไหนรู้เอาใจรู้จริงรูง้แจ้งเห็นจริงเห็นแส้งคือการกระทําไม่ใช่รู้มากดังที่กล่าวรู้นหนังสือนังหารู้หลักธรรมเป็นมากหลายแต่ไม่ใ่รู้ตัวปฏิบัติรูป้ปฏิบัติต้องรู้จริงต้องแสดงออกมาให้เขาเห็นได้ จะแสะดงออกให้เราทราบว่าเนี่ยควรจะแก้ปัญหาหรือไม่ควรแก้ปัญหาในครอบครัวเป็นอย่างไรหาความสุขสมุดในครอบครัวไม่ได้แล้วคนเราสร้างแต่เวรสร้างแตกรรมสร้างแต่การกระทำที่เวลวร้ายต่อไปข้างหน้าพระมาร์กนายมาร์กนายถึงนแต่ัวมากมายไม่มีการเห็นแต่ส่วนร่วมกันหรือสามารถคือตองดองกั น, น, ก น, นกลเลยถึงนแต่ัวตลอดเลยการคนประเภทนั้นไร้ธรรมะ ขาเหตุผลไม่เป็นคนที่สนใจธรรมะแต่ประการใดแต่สนใจอยากรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะประจําใจเหมือนรับถึงปากก็รับได้จิตใจไม่รับถ้าไม่ปฏิบัติกรรมฐานถึงไม่ปุขสุจะมีอยู่ก็บจิตใจเลยากมากนี่ขอฝากญาติโยมไว้โดยทนะั่วนาการกขอเนื้อทนาสาธุการแต่ท่า น, นทั้ทงหลายที่จะไปบรรลุมรรคผลมาจะเรามาปฏิบัติกรรมฐานเกี่ยวกับเมตตาดีที่สุด ไม่มีอะไ ร, ระเท่ากับการเจริญสกรรมฐานแล้วสงสุดในพระพุทธศาสนาสามารถจะให้แก่กรรมวิธีได้สามารถจะมีนโยบายสร้างฐานในครอบครัวให้ได้หยุดเพื่อดีให้ลูกมีปัญญาทุพพลโดยชัวย่วนากันขอความสุขสวัส ด, ดีตรงมีแต่ทั้นทั้งหลายโดยชัวย่วนากันถ้าทุกท่านจงเจริญไปได้วยอายุวันนะอุชาภะละปฏิภาณธนาฐาน ท, นาาทุบบัติ เมื่อชิงกระการดด้สมความมุ่งมั่นตั้งนาด้วยการพุดพกนามนาอุตตร์บัติยเทนที่สุนัยกาเวลามหาเวลาณธรรมจารึกที่ท่างและญากเโยมที่ไปมีมาศกญาติกาทั้งหลายเดยเพื่อมากัน ถ้าลงเ ว, วกานามาึปฏิบัติที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมขัสองของพระพุทธเจ้านั่น แ, บบ แ, นแนนนหละการปฏิบัติธรรมการคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น่ทำรู้ยากมากคนที่รู้ธรรมมีหน้าต่อการปฏิบัติธรรมมีแนวการสร้างความรู้ของษษขพุทธศาสน์ก็เท่มาก็มีแนว การสร้างความสร้างความไม่ดีมีมากกว่ากันเพราะอะไรจะมีความสุขความทุกข์ม่เหมือนกันเราสร้างความไม่ดีไว้มันก็เกิดความทุกข์เราสร้างความสุขความเจริญเราสร้างความดีนั่นแหละมันกะทำให้เราเจริญรุกไปขานได้แต่การสร้างความเชื่อทำเตือไม่ดี มนก็บ้ า, กการัประทานน้บาปเกิดทุกได้ยาอย่างนี้ก็เรื่องเปเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมบาพระพุทธเจ้าจจสอนนัขอนหนาสอนให้เราสร้างความดีละความชั่วสร้างตัวให้ดีแนงให้มีธรรยาค่าสอนและคัดเกลือแ่วนมเกนนจะได้คำนวงได้เลยว่าคู่มาปฏิบัติทเนี่ย ใ, ใจผิดคิดมาแล้วก็กา ร, รอย่างพุทธพิธมาวางแล้วเราถือว่ามาสักหน่อยก็สามยังกิดนแล้วก็คงจะดีได้เลยทีเดียวก็ลบากยากที่จะดนได้เพราะเราสร้างความดีไม่เสมอต้อนไม่สมอลายมนีก็บ่อนก็แบนตรงก็ตอนก็ตูงเป็นยากเป็นวานเป็นโยมเป็เปเปเปกรรม ที่เรามีจะทราบทั้งเองแล้วเราจะมาเดิกว่าเราสร้างความดีไม่ยอดีเมื่อมันดีกัมมั น, นยังยังไงก็แก้ไขไม่ได้ก็การสร้างความดีนั้นทันได้ยากนะไม่ใช่ของง่ายแต่การสร้างความชั่วทำเตลให้เหลือหลายและทเทศ่อเติมเติมนั้นก็ทันได้ง่ายไม่ยากนะ ดูเชื่อประการใดมันดีทุกจิตใจของเราทุกคนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นก็ทําทุกจิตใจทาใจให้สบายทำใจเป็นปกตินึ่งหละคือปฏิบัติถึงปฏิบัติกรรมฐานต่ริลยปฏิปทานตาานีความรู้ก็จะเกิดทุกวันถ้าเราไม่มีสติแล้วขาดสัมปทันเนี่ยขาดความรู้ตัวแล้ว การดีมันก็จะเกิดไม่ได้มันก็เกิดความไม่ดีทุกวันบางครั้งอารมณ์ดีก็สา ม, มารถจะสร้างความดีได้บา ง, างครั้องอารมณ์มันขั้วก็ไม่สา ม, มารถทำตัวให้ดีได้พราะนั่งาการปฏิบัติธรรมนี่จึงยากยากมากและการสร้างความดีนันก็ยากถึงนเดียวกันถ้าเราตั้งใจสร้างความดี หนความเช nah ื่อได้มาได้เราถึงกระดดผลเพราะการข้าความดุนจังละเชื่อได้ใครทันดนมันก็จังละบาปให้ได้ถ้ายังด้นบาปมีบาปติดตัวมาบุนมันจะไม่ถึงกระดดดุนในสิตใจที่มีความติดบากความติดนั่งเกิดจากบุนนันนี้เหมือนกันเพาบนนี้ มีอยู่กับท่านบายบ้างมย่างนั้นจะมกับคามฝึกมีกัะทวามเจริญไปเดื่อยไม่มีการเตือนกับประการใดถ้าเรามีฝึกกายฝึกใจการฝึกกายฝึกใจนั่นก็ต้องชาถ้าไม่ชามันก็ไม่พบความฝึกมันจะพบแต่หายงนะจิตใจจะเละละเลวะเทะละเลื้อไหลต่อไปมันก็จะละล้วนกันไปมันไม่แน่นแน่ จิตใจไม่มั่นคงจิตใจขาดสมาธิไมนขาดความมั่นคงถ้าความจิตใจมั่นเนี่ยต้องค่ามันจำถ้าไม่ฆ่าไม่ทำจิตมันก็ไม่มัน่นเรกเพราไม่มีวัตถาไม่มั่นคนไงไหนเลยแล้วเราจะรู้เหตุผลในชีวิตของเราได้คัเดเกินเพราะั้านก้างความดูมันยากมาก มาเยร้างก็รไปเดินงานอย่างที่โยนมาแค่สองวันบางคนวันเดียากลับแล้คนไม่ไหวเอินเทนไม่ได้มือเปลี่ยม่อขาดของเข้ากระเป๋าเดินทางกลับไปเดินไม่ดอกกล้ากลมเยอะก็เนื่องจากเทนไม่ได้มีแต่ทาทําหลายเอสร้างความดีต้องลงทุนความยากได้ถ้าเราลงทุนความยามากไม่ได้คิสต่าความดีมันดังมาก มันไม่ง่ายหรอกงยากต้องเลี้ยงคุนเลี้ยงคุนความลำบากอดทนฉันสืบทำบางคนมาอ่ะเดนกระเทาะกระเทือกทำหน้ากาบมากเลยไม่อดทนเปลือการใดก็สร้างความดีมันจึงจะยากถึงนั้น่ากที่ไม่อดทนจึงมีหลักมีบนชื้อกงแสดไระยกสร้างความดีสร้างเลี้งคุนความลำบากให้ได้ สร้างความ ua, ขั่วครอเพิ่มพู น, ค, นความสบายไม่พูดนานแล้วก็มาชัดเจนหรือคนที่สร้างความดืลําบากที่อย่างคงได้ทั้งนี้ถึงกังพบของจริงพบของลืคนที่สร้างความขั่วอพยพหมายเหวี่ยงก็ได้ครอบเพิ่มพู น, ค, นความสบายพูนส บ, บายานอนสบายไม่เอางานเอาการแนวคิดที่เป็นกวนเป็นประโยชน์ขก่อน จะกระเสือกกระสนทะเลทรายทะละักออกไปนอ ก, ป, นอกปีนอกทางชีวให้การเวลาที่สดแล้วก็มาได้ผลแล้วกขยันไปนอกมาที่การงานยังมีความประมาทชีวิกอีกมากหลายไม่มีมสติธรร ม, ามยาเนี่ยอยู่ด้วยความประมาทอยู่ด้วยความพาดพลัง้งทาอะไรก็พลาดทําอะไรก็มาดูผล ทำอะไรก็มา thì, อย่าอนยงสงที่หลังมาไหลามาเทมาถึงจะเรียกว่าอันสองอันยงสงของความดู้เงี่ยนั่นหลังมาไหลมาเทมาเข้ามาอยู่ในบ้านเราไม่ผิดใจผิดใจก็สบายมีแต่ความเพลิดถึงจะมีความทุกข์ ม, กา ม, กมากาะแก่ไข้้านเพราเราลำบากมามากแล้วเราเป็นเดนมืเดินกลางคือลำบากลำบนอย่างไรก็ต้องเพ่นมาจนแบบนี้นะ ถึงจะมีค่ิดธรจะเลในทา ง, งสามมาเป็นหนุเป็นสาวเป็นชลาให้เฉลยแตชลาจะสามารถจะทนต่อลาบากได้เพิ่มต่อร้อนหนาวก็ได้แบบแพลเขาก็ทนได้ร้นนักหนาวนักเราก็ทนได้ตลอดเวลาทนที่การความดีง่เขายงคุณําบากได้ทุกอยง กำลังก็ดิจงจงชางอยู่คนหน้าหาความสงบก็สามารถจะทำได้อะไจะถือเบ่งถือขัดจังจะไม่เคาะงนานตลอดเพลงก็สามารถจะทำได้แต่ไม่ทำกันเ้ราอะไรจรึงไม่ทำเพราะมันเกลื่อนลำบากเกลื่อความยากเกลื่อความทุกข์เกลื่ความหยุดน้อยในนาประการแต่แล้วก็ดืงแตหาความทุกข์ดึก็ไปหาความหยุดรอน มิ่งขับมหาความลำบากความยากเ ก, เกิดขึ้นและเดือดร้อนมาปรากานไหนเลยได้ความเท็ของจึงเมตวามสุขของจุลุ่มันท์ทั้งหลายเลยบ่าจะไม่มีโอกาสแล้วดังนั้นคนเราที่ากสร้างความดีได้เนี่ยต่างลงทุนมากลงทุนความลำบากอดทนขันติธรรมตงมีการต่อสู้ คือความยากคือความมาบากนั่งจะการได้เตัวงเบื่อหยุตูคกาก็ทนได้เบื่ออาเือต่างน้ำก็ทนได้อย่างนี้ถึงแบบกพกของรึงพกของดึงตัวเองของดึงนี้จะมาต้องไปหาสวหวหาที่ไหนที่อยู่แล้วต่แล้วก็เกียรติค่าจหน้าที่เอาความดีมาค่า เอาแต่ความเชื่อมาท้ายกะหลอดรายการไหนเลยลว่าทํากจะพบของเขึ้มนมาเป็นความจึงอยู่ในใจมันจะไม่มีความจึงเลยคนเชื่อนั้นน่ะมันไม่มีความจึงใจทำอะไรก็เหลวไหลทำอะไรก็ไม่เป็นหลักฐานทำอะไรก็ไ ม, ม่ น, นั่งเพงคือยึดจะเป็นพึ่งคนที่เป็นเขาตรงก็ยากหน้า เราพิจารณาสอนว่าอตาหิตกเมนาเถอนั้นเป็นเป็นทุแม่แองไม่เคอืนได้และไม่จงไปพึงก็ถือศิลาเราจะเห็นได้ยินพระถึงเถิดโนนอย่ามาถิเนยเจะงานอันยางพุทโธทมโนยรังโคเมยเสวนางเวลังเอเตนกัดเะวัดเถรนาหูตุเตยพยมังพลังถ้าถวดเนใกล้จะจบ เ, นนเขาจะเรียนพระุทธมนต์บ้างเขาก็ตามก็จะต้องเกิดบทนี้เสมอไปว่านับพินเนืเตื อ, องางอันยังป็นต้นแล้วาังง่เยก็อบอกว่าที่พึ่งเองไม่มีกล่าวก็ถือเป็นที่พึ่งไม่ได้ตนเองก็เป็นที่พึ่งหากะไรได้ยากเราต้องพึ่งตัวเองยึดเหนีย่ยวพระรัตนกายเป็นสนาระที่พึ่งตลอดทีวยต สุดท uh ิพทางเทืงพัดถามิทำมังเทืังพัดฉามิสังขังเทืองพัดฉามิเป็นที่ทุ่นาคือคุณพะพุทธเจ้าสามคุณพระธรรมสามคุณพระสงฆ์สามเรีกว่าสามันต้าเอาไปข้างหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองเขาจะเห็นได้ว่าพระตังเลสดุ่มก็ถิวเป็นตเดิมตามพุทธลีลา ปางใต้หน้าปางเจริญปางยุ่เรื่องวัดพนาภาษาทองเขาต้งเดินไม่เชิงงานไม่เชิงงานเนี่ยพระปางคุทรีลาเขาจึงเลือกไสยาวะพระทุ่งเกิดผีจำแพงเพชรพาะทุ่งผเติีล้ำคุนมากพทุ่งเกิดผีสุโขทัยบ้างทุ่งเกิดผีสบุรีบ้างเดกันไปางการสามสมายพระสุโไทยพระอทรวีพระเงแฉมต้น สารเกตสุสโคไทยจะมีความสดีเลิศดูไม่จิบพระอูดทองก็เป็นพระอูน้าบ่ญผ้าเงินทองไหลมามีเป็นยาเป็นพือที่เลย ก, กันโดวยวิธีปฏิบัติแล้วมันสียายความาเอาพระสารสมัยมาตั้งในบ้านพระอูดทงพระเ ส, สีนงแสบพระสุโคไทยตั้งแล้วจะอยู่เย็นเป็นสุกพระสุโคไทยก็อยู่เยอนเป็นสุก แสจะคึกแสนจะมีอู่ข้าวอูน้ำอู่แหล่งทอ ง, ทงลู่มาเอามาตั้งบูชาแล้วกป บ, บีขาไปเรื่อยๆอยทู่เฉยถ้าคงกะควรไม่ได้ถราอืท่ทอง้งจะควรไม่ได้พระเพียงแสก็ควอไม่ได้ เ, ร, เร า, เราต้องควรตัวเองทางนัง้นแต่พระเพียงแสเนี่ยคำมึนลามัน แสดงว่ er th <Him. S 1> ากายเส็มแข็งจิตใจเส้นแขังผู้โค้ชยเต็มไปด้วยเมตตามีความปรารถนาดูอู่ทองเต็มไปด้วยผู้โค้ชยเต็มไปด้วยเมตตามีความปรารถนาดูอู่ทองเต็มไปด้วยเมตตาอาลีไอลอดเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เงินไหลนองทองไหลมาอย่างนี้การปฏิบัติธรรมะเงินที่จะไหลมาแทงที่จะไหลมา อารมีธรรมะประจําจิตประจําใจก็จะเป็นที่พึ่งได้อย่างนี้ตป็น ต, นต้นการเจริญกรรมฐานหนะ้าหาที่พึ่งให้กับตัวเองตามเจริญกรรมฐานต้อง ก, การมีเข้าถึงคุณปฏิญาณกายนมืพระพุทธเจ้ายกเหนือยกทางใจคืณพระกัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระมหาการิญาทิฏฐิเราก็จะได้อุ่นใจมีที่พึ่งแด้ ถ้าทําคําสอนของโยบุญญเจาจะเป็นแสนะที่พึ่งเพราะเราต้องสร้างความดีต้องละความเชื่อให้หมดอย่าจุดใจลามโมกโกรกโกกอีกต่ไปทําใจจุดใจใจะสะอาดบริสุทมันแทงคําำคำธรรมข่าพิเภาแล้วนี่คือที่เพิ่มอยู่ตรงนี้ถ้าทําคําสอนเป็นที่พึ่งได้ถ้าตนทั้งตนไม่เอาตอนเน่เอ า, อ า, า, อ า, า, าเนื้อเอาไตอัดตายตัวเนปาณาถไม่เอาเลว ก็อนดไม่ดัดผลไม่ได้ไมีสงส์กับโดยธานไดสังฆารตนะกับอัตเสริมมีประสงค์ตะกี้พิ่มที่เพึ่งของเราคือพระสงค์จึนรักเกิดตั้งเลสัจจะพระสงฆ์เป็นนามบ่งของโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจของเราเป็นโลกแบบที่ดีเห็นโลกประรรมนามธรรมมั น, น, นชัดเจน เราไปทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบคือ่งดีสร้างตนเองให้ดีสอนตัวเองให้ได้เด็กไปสอนคนอื่นได้นี่คือคุมค่าของประสงค์เยือนโยงอยู่ในจิตใจทุกขั้นแล้วท่านจะตอนน้องมีที่พึ่งได้แล้วคือคณะที่พึ่งท่านจึงขวดว่านักพินิจพลังงานยังเต็มเตนมพลังงาง น, น, นญญาที่พึ่งเอนไม่มีผีหรืเจา้าเป็นที่พึ่งได้แล้วเดี๋ยวนี้ไปไหว้ผีกันไปไหว้เจ้าเข่าฟอง ถือบอกยังไงก็เชื่อถือเจ้าไพ่ชงบอกยังไงก็เชื่อเจา้าคาปรตัตน์ศาลขาวความดีไปมากไปไหว้ถือก็และคนเดิมขาพทดภาษาสนิทไปชาะนับถือแต่นับถือเจา้าแต่เจ้าเราก็เคารพถือปูญญ่ยาตายายทุกอย่าจะต้องอเคารพแต่นี้มันถือที่เท่อไปเนี่ยถือสางนางโองกถ้าเจอถือมันจะเจอสาง เตือนางก็จะต้องเตือนองตลอดรายการถือขางนางเตือนตลอดมือถ้าจะไปพบข้าพมาคมได้แต่ลายเหตุผลก็ไม่มีอ น, นิสงฆ์จารปริการได้มือจะท่านทั้งหลายการที่ท่านมาเจริญกรรมฐ า, านมหาที่พุ่งทาง ใ, ใจสายคอไม่สบายมาเบนเดินเท้าเดือขาดิฉันจะขอลากลับบ้านไม่สบายใจ นี่มันโง่ดีโศตไม่สบายใจเรื่องรักจะมาถามพัฒนาตัวเองถึงจะได้ความสบายใจท่านมาสบายใจแล้วท่านจะลากลับบ้านท่านจะไปเที่ยวกันแต่ว่าฉันจะต้องไปไปเที่ยวสักพักหนึ่งสมายใจแล้วก็กลับมาวันพวันใหม่โง่ที่โศตโง่บัดซบโง่อย่างโง่หัวไม่คืนฉันมาสบายใจจะต้องพาเพื่อนไปเที่ยวสักพักหนึ่ง แล้วก็กลับมาใหม่จยโยมผู้ชายก็ไม่สบายใจก็หาเลสเทอสุบายออกไปชินเดิมเวลายาใหม่ให้มันสบายใจมันอย่าวิ่งไปหาความทุกข์มาดยวิ่งไปหาความติดการบระการได้จะโยนผู้หญิงประทวนกบไปเชื่อวม้อเงาะแบบไม่มีความสบายเลยในครอบครัวเนี่ ย, ย, ยฉันจะขอลาไปเชี่ยกวก่อนแล้วก็มานั่งปฏิบัติโมบาช็ เสียเงินค่าเค่งบินเสียงเงินค่ารอขัาขง เ, งาเทื่ยวแต่พาไปเที่ยยุโรปและเอเปียและสหรัฐอเมริกาไปเที่ยวกองก็เสียงเงินไม่ได้มีธรรมะไปจําจิตระจําใจเลยคนนี้โง่แตหากว่าไม่สบายใจมันทุกข์ไปตั้ง น, นางก็มาทานเดิตนตรงเตมข้าวทาเข้าตีข้าเดี๋ยวมันก็สบายใจเดี๋ยวมันก็พ้นไปช่ยวยจากกองทุกข์ในนาประการได้ ระงับทุกระงับโศกระงับเลกะระงับภัยระงับประโยชจังไรได้คือการจะเลี้ยก็คือประหานชีวถึงจะระงับได้ยังยื้อถึงจะผิดเจ้าโยมอยู่หลายคนที่งโง่มาสบายใจอยู่สองคืนทนไม่ไหวตั้งมัน่นใจเลือเต็มแล้จะมาอยู่จดมันอยู่ไม่ได้แล้วกลาบแล้ว ลาบแล้วฉันอดทนไม่ได้เอาละคนประเภทนี้มาโดยดีทั้งตาออกแขกไม่ดีบอกเลื่องไม่ดีทั้งแต่เต้นนาตังเล่นตลอมไปทั้งคิดหาไม่เอาดีไม่ได้เลยเป็นคนดีเนี่ยันโคมไม่ได้เป็นลูกที่ดีทั้งดุดามันดาไม่ได้แล้วก็เป็นเกิดหรืนครูอาจารย์ไม่ได้เลยคนประเภทนี้ลายสาละยะะักขาดอุระบดมีความทุกข์ เน็มใจหาความถึกในครอบครัวไม่ยากกระชั้งที่เป็นเถถีมาหาเถืถีที่มีบุญลายหนะ่ที่มีขาดข้อหนอเดินเดินไปเรื่อยไกกลที่กระทับโคงกระพุทธเจ้าระพุทธเจ้าดียสับเถาสเนียงเสียงไข่หนอมาเบื่อว่าที่มีบุญลายแหน่ที่นั่งขัดข้อห น, น, น, นอนมนนนะนนอนม่มีความถุกหนอกระพุทธเจ้ายึงเงเลวาเจ้ า, จาไป รับตอบว่าที่มีในวุ่นวายหนองที่มีในขาดค่องหนอเชิญได้เข้ามาได้หน้าบัด น, นี้ในญาติภราบทรจึงเข้าไปไปหาเตา้าพระพุทธเจ้าก็จะเล้ยงพติเองพระพุทธเจ้าจึงได้แผ่เมอตาสอนธรรมะให้โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างเลี้งก ล, ล, กลง้าเลีเ้ยงกระมม์ให้้าเล็กจนทุก อยกวลาบิเป็นชนอกซึ e ่กายหายทุกข์หายวุ่นวายจึงขอเือดในปะจักรนี้เบิดเจหิเอหิคู่ตุตฉรมาทาเบิดต่อพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้งุตาอาจาย์ไม่ตางมืคู่เถิดกรรมวาจาก็สามารถเบิดได้เดิกผู้หญิงก็เือดได้ม้อมืคู่เถิดไม่ตางมืตคตาเดก็เบิดได้เือดแบบเมื่อขมะ มาจเจริญกรรมาฐานเนี่ยเบื่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าละฟังให้ดูผู้นายปฏิบัติธรรมผู้น้นเห็นตถาคตผู้นาเห็นตถาคตผู้นานปฏิบัติธรรมนีม่แหะต่อหน้าพระพระทัคละผู้นไม่เห็น พ, ธธพ ร, ะนนระพุทธเจ้าเพาไม่ได้ปฏิบัติธรรมมันจะเห็นพระพุท ธ, ธเจ้าได้อย่างไรแต่ก็ไม่หมายความว่า นางแลเห็นพุทธเจ้าลอยมาแล้วก็คืนเหนือคใจไม่ใช่เห็นแบบนั้นเห็นอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจว่าเห็นว่าปัญญาคุณเห็นชาปเจิดท่คุณเห็นชาปมหาปูนาทุคุณของพระองค์เต็มล้นเตยมอยู่ในจิตใจนางแลเบิกบานนั้นสาิุพระตืนเถิดชาวไท่เตนเถิดชาวพุทธไม่หลับไหลไม่ละเลมหลงแลไม่งงงวย พระเบสจะไม่เมื่อยเมลาน า, นาไม่มีการตายแล้วไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายต่อไปไม่มีกา ร, กราาพลดพลาดจากของปฏิรักษ์ที่สอบใจอื่ต่อไปนั่นคือทันต์าดมีความหมายยคัดเจนแล้วแต่คนเราไม่ทําครับเวลาท่านทัางหลายเอ๋ยมานั่งกรรมฐานกันกะหาว่ามาหลายเลื่หลายเรื่องเยอะพุบโธบ้างอลาหังบ้าง มาจากคำนักโพนมันคำนักไม่ได้โพนเลยนะไม่ได้โพนบอกให้นั่งหาใจข้าวแพงหายใจ อ, อ่อนเบไม่เอาซะแล้วไปนั่งพุทธโพละ่ะเดี๋ยเดินขวาย่างขาอย่างไม่เอาตาพุ ท, เ ห, ท, ทเหยียบโทโฮเหยียบพุทธไปยะนี่มาที่วัดนี้เองเนาะเลยไม่ได้อะไรเลยจับปลาตั้งคือเนี่ยนะเลยก็หาหลักฐานไม่ได้เลยเลยไม่ได้อะไรเรื่อง ถ้าติเื่อใหม่ต่อการปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยได้ผลขอให้มีศรัทธาปฏิบัติขอให้มีวิริยะมีความเพียรตั้งสติไว้ปตลาดรายกยารและกระตุกมั่นในสมาธิพลังงานเกิดที่ปัญญาเกิมแน่นอนแล้วก็ได้ผลดีกว่าเป็นเก่าวที่เคยปฏิบัติกันวัดโน้มออกวัดมีเพือรบุญวัดโน้มเบียดที่ปรามวัดนั้ออ น, นพระเทิดกันมากมายเคยันเทิดมาพัด เดี๋ยวก็แกรองขอกระถึงบ้างข้อผาปาบ้างเลอะเทอะไปหมดแล้วเลยก็คึกไม่สงบมาเดี๋ยวพารถทำกับริการได้ท่านจะได้บุนตรไหนยมาที่นี่กัหลายประเทศเลเกินมาอยู่สองันงกราบแล้วว่าไม่สบายต้องไปชวนเทื่องไปเชี่ยก่อนนี่ว่าคนโง่คนเสี้ยเงินเฉี้ยองการปฏิบัติไม่ต้องเขียเลยเลยขอให้ท่านปฏิบัติจริงๆเดไมน กันจะได้ของคินต่อระพักในฟังธรรมต่อประพั ก, พกคือจเจริญกักมมัฏฐานนั่นแหละฟังเทศฟังรธรรมไปพุทธเจ้าละการจะได้ฟังเพลกล่าวไว้ชัดเจนผู้ใดปฏิบททัติธรรมผู้นัานถึงใจเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นัานปฏิบททัติธรรมจะมีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจิตใจก็ธรรมะเจ้าอยู่ในใจิตใจพระสงค์มะเจ้าอยู่ในจิตใจค่อนข้าง วัฒนกายตลอดชีวิตชีวิตท่านจะไม่อาบเช้าชีวิตท่านจะไม่บายตัญญาชีวิตจะไม่เป็นมนุษย์โดยคนลอยเมื่อคนที่มามันเป็นมนุษย์เผดมนุษย์โดยคนลอยหลายคนลอยไปลอยมาไม่มีชิ้เกาะไม่มีชิ้เกลียวแล้มี้เกาะเกก็ไม่มีชิ้เกิดไม่เกิดเกาะต่อให้ลึกซะก่อนเดี๋ยวปรมานั่งได้อะไรมานั่งคุยกันยืนากันเรื่อง ทังจะได้อาลัยเลงทังจะได้บาปคือเตท่านตายบาปเนี่ยคืออะไรยพูง่ายเขอกมาก็คือเดือดร้อนคนที้คนเดือดร้อนในจิตทำอะไรไม่เป็นผลเป็นมักไม่เป็นมักเป็นผลเป็นผล เ, ผลเผลขามากหลายไม่มีสติปัญญาจะไปแก่ไขถ้าจะเลงกรรมาฐานอดทนได้ต่อสูดด้ดรวยความทนทุกข์ทรมาร์ลำบากอย่างไงก็ต้องเตือน่นาข้าความดีต้องอดทนการลาบากได้ ไอ้คน ข, ข้างความเชื่อเนี่ยมันลงถึงความสบายเอาื้นหมายเหัวได้แต่งรี้ไม่ได้ตลอดกระทั่งตายเพ่งพึงตายเพ่งพึงคือตายไม่เป็นผ้าแม่งเพ่งเรียบตายแล้วแต่ไม่เป็นผ้าไม่มีความดี้จุดเปลี่ยไปเรียกแมงเพ่งเพ่งพึงตายอย่างเพ่งพึงตายยังเอออย่า ง, ง, ง, งที่หนึ่งพึงนะ ร้อนอก้อนใจตายก็เร well ียกว่ตายเพ่งถึงตายร้อนอกร้อนใจไม่มีอวาสมีธรรมะประจันพิจารณาใจแต่ประการใด้ออกมาอย่างมี้คับจนมากมาเรื่อยๆนี่หนกลับไปก็มีนะมาถึงก็ได้ข่าวว่าเขามีระเบียบอย่างนี้เข้าหนูเลยเอ้วัดนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องเลยมีระเบียบต้องมีบัตรประชาเพนดูเหรอต้องมีอนันต์เลยเหรอต้องมีอันนี้เลต้องมีครรับรอง้วยเหรอ ถ้าเราเลืมจักการลืมถุงนอนจักเตือนก็ไม่มีก็ได้ไอ้ น, นี้บาดกระชาชมเนี่ยโยมไปไหนไม่มีบาดไปเขาจะจับเอาเนี่ยเขาจะหาว่าคนห ล, ก ล, จจลากรอยจำเหือเขาจะรู้จักเถอะอะไรํานองมือเขาคงจับตักตัวไว้ก่อนงั้นอีคนประเภทคนลายหรือคนดีก็ยังไม่ลูมเพราะมันมีบาดกระชาเชน่นยังมีแต่ตอมอ้ที่เขาควรบาดคอบาดแดงจะไปว่าเขาเนี่ยหากว่าไมา่คิด ก็มีใบรับรองมาถ้าไม่มีถรร้า เ, าาเรเาูกจักกั น, ม, าา น, ม, น, ม, นมันก็ไม่มีปัญหามันไม่มีเดือดร้อนนี่เข้าใจคำนี้ด้วยเข้าใจคำนี้มาอยู่ข้าเกิดวันอยู่ต่อได้ไหมก็เขามีหลักอยู่เกิดวันกําหนดเขาแต่เราจะอยู่ต่อเราจะเริมกรรมฐานให้มันมากกว่านั้นถ้าทาได้ดีแล้วมันก็มันมีปัญหาถ้ากรามีที่เสียตาย ำคันั่งสามวานันนะเที่ยวเวลาหลังวัดมาวัดเดงกันเดื่ยตลาดมาเลื่อไปซื้อของมาทำบุญนั่งถวายฉันาทานนัยย่งพยนตมืมเห็นเยื่อเเครื่อง้กราบไปฮะสามบก็กราบไปฮะมันไมเ่เลยผลมาทาไมเ ง, เงง า, เ ม, า, า, ามันเกียงเงิ น, น, าานค่ารถมาเป่าเปล่าไม่เกิดระโยชนผลการดำเนินไอ้แบบมันนี่ชัดเจนมากจะมาชี้บัปประชาชนม่วันไรก็เมืม่อวันห้ามไไม่รู้จักกันนะ ถ้ามีเครรับรองมันก็ไม่มีความหมายอะไรนะแล้วเขามาได้จัดการมนถงนอนไปตือนเพราะอะไรที่มันมีปัญหามากบางคนเมืม่อมาแต่แปฏิบัติมันมมรักเงินรักทองค้างรักกระเป๋าเขาไปอยู่เรื่องนี่คนประเทศ น, นี้แถมอายาเกอติดมากิกันอีกด้อยไม่อยากเป็นข้เสิดขันอย่างนั้นเดิมอย่าว่าเขาเลยนะเขามีหลักปฏิการเขาอย่างนั้นก็ควรปฏิบัติตามถ้ามันไม่มอะไร มาเลย้อไม่เป็นลายมหาจะมากรรับแรงในะแต่รับแรงไม่ใค่ว่าให้เขียหลักอธิการเขาตตั้งไปไว้เขามาลกัมันอาจจะมีคนแอบปลอมมาเนีมีหลายครั้งแล้วม า, าห้แห้องเดียดตายแต่งเกียวเาสวยด้วยเลยมาลักกระเป๋าเขาไปเลยลักแหวนเขาไปลักค้อยแทงเข้าไปในเวล า, า, าลวมันมีปัญหาอย่างนี้จนต้งเงปวดขันเส้นเม็ดเป็นนอย อย่าว่าเราเลื้อนอย่ว่ากรรมการเขาเนี่ยมันมีอย่างนี้หลายข้างหลายคราวสุดมาแล้วมาเลื่อมตัดคนดีๆมาหาึนที่มือบางคงก็มีจะเพทย์เมงแต่งต้วขับรถเต้นมาอย่างดีมาหาสายแค่เด็กเล่มๆจะเอาไปทํางานจะอยู่กันหน้าเพื่อจะไปทํางานแต่จะเลื้อนแพงๆมีอย่างนี้หลายมือนะ เวลาลืกทางทขไายขับยถหนูนไปเลยมืออย่างนี้ก็มนี้มาแค่าการปฏิบัติธรรมก็มนะ่เชม่เคยเคยเาะาเดือดเท้าขาวเดือดางสวยหน้าตาดีๆที่เกิดงา น, นน่าจะรับไปทำงานนี่คือวัดนี้ก็มีอย่างนี้เหมือนกันจงต้องเกดขัน อ, อย่าไปว่ากรรมการเขาไม่ได้นะาอยากจะมาะแฝ่แถลให้ฟัง ถ้าหากว่าเรามาดูต้องการปฏิบัติดูมันก็ม่มีปัญหาอันใดแต่การจะมาสร้างความดูใครก็จะว่าอะไรเล่าอย่ามาสร้างความเชื่อเลยอนนี้เราดูดีต้องรักทางนั้นไม่มีรายรขายข้องเหนีใจกายจรายการได้มีแตนมัเป็นอย่างนี้ไม่มีเลื่องกันมาแล้วมาแล้วมาเรียนการก็ไม่ว่าเพื่อเรียกนการรถตะไคร้เข า, าไปเลยเนี่ยแล้วบางคนก็นเสียกายสเสียชื่อมัดอาตมาด้วย บอกว่าตีต่อไปไม่มายา่ากระเป๋าก็หายเงินก็าหายก็จะหายยุดเนี่ย่างนี่เป็นต้นเนียคนมาหลายประเภททำมาตั้งใจปฏิบัติด้วยกันทุกคนมันจะไม่มีปัญหาเลยจะไมยูม่ปัญหาเกิดขึ้นแปไตามใดๆแต่คนมันหลายประเภทไดเกนะินนิยมนะงานนาจุดต่างมาในในเรื่องในลูกลาบคืบาธิกาสแตงทุกข่าวมาแล้วจะเป็นในลูกลางอย่างนั้นจะจุดไานดำได้เกิน จิตใจอามาสิทธิดังที่อสวยเรียกเตือนดูย่างดีแต่จิตใจเป็นอัปปิจังหลายดังที่เก่าแล้วมี่เราต้องเกล้การเหมือนกันแต่มันยัง่ายมันเสียหายหลายประการดังที่เก่าแลว้วดังนั้นที่น้องทีท่ลับงานมันมาเจริญกรรมฐานมาขร้างความดีด้วยการทุกขนแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นความทุกข์ความยากความลำบากก็จะมันเกิดขึ้นแต่ที่ส่วนรวมเรืเร่องการในวัดนี้นะ ก็ขอจเจริญพร อ, อย่างนั้นเพื่อกันมีบัตรตาชาเทวนั่งในมีบัตรเจลาริจ ก, กันนะเคยไปมาให้สู่กันอยูเส ม, มอมันก็มนไม่มีปัญหาใดมาใจจะเครียดแค้นกันอย่างนั้นเส ม, มอไปหรอกนะก็ดูเพื่อป้องกันนก็อาจจะขอประธานเทศต่อภัยด้วยบางทีอาจจะกระเพศะกระเทีย่หรือกระเพือนใจแล้วแตให้อาภัยซึ่งกันและกันบางอย่างเขาไม่รู้จัก มันทีก็เขาก็ต้องถามต้องเอาตามหลักปฏิปานี้ถ้าไม่ได้ใยพนันมาไม่ได้บาดปาระชาชนมาหรือลืมบ้างอะไรก็ไม่มีปัญหาเลยตั้งใจปฏิบัติจริงๆสักหน่อยแต่ตป็นเมื่อคือก็ตามจะเป็นอะไรจะม่อยู่เลยก็ไม่ได้ก็ที่นี้มันไม่มีที่อยู่เสียจะอยู่ต่อไปจนประจําเนี่ยมันก็หายากคนนู้นข่าวคนนี้ออกตลอดเะไตามมันก็มีความหมายอย่างนั้น ดังนั้นผู้่วนทั้งหลายมาจเจริญกรรมฐ า, านมาสร้างความดีนี้ถา้าอารมณไม่ดีหรือใจไม่สบายนั่งกรรมฐ า, านดีที่สุดมันทําให้สบายใจดีถ้าหากว่าเคยเครเียดแทนจิตใจมากใจไม่สบายไม่ตกตึกนอนไม่หลับตื่นไม่ได้เลยนั่งกรรมฐ า, านดีที่สุดจเจริญกรรมฐ า, านดีที่สุดเพราะว่าทําให้ท่านจิตใจจะสะอาดบริสุทธิ์ความทุกข์มันก็หายไปจากจิตใจ กามดีละแทนที่ของจิใจช่างและทากระเจ้าเลยมีความสุขแก้ทุกได้เนื่อนอนก็ขอบุญอย่างละแยะทุกบาททั้งขานกจะเจ้ทุกเดินไปหาทุกเดินไปเชื่อและ่าเดวงผู้ทายก็กระ้ทุกเดินได้ไปบูมทุลาเรื่องการทามันเชื่อทั้งโครงเตอรลึงตลอดโดยการถือเป็นความสุขนั่นแหนะมนอาก่ะครับมันมีศุขนาทุกยิ่เดินทุลา วเวลาหายมาหมดเงินหมดกระเป๋าแล้วมันจะถอยความทุกข์มันจะหาความสุขไม่ได้ไอ้ความสุขนี้คือจะทำเนี่ยมันทำยากต่องลง ท, ทุงคนความลำบากต้องอดทนนะทำอะไรต้งองอดทนเหยือออกนี่จ ะ, ะขับประจนานังขโมงปาอันนี้สาคัญมากือ ป, ประการหนึ่งด้วย เพราะงการมาปฏิบัติกรรมฐานจนมีประโยชน์ประจัญจุตประกัรใจชีวิตของข่านใครมาค่าความดีหือความเพื่อัะมาถึงจดตต่างหลักสูตขึ้นว่าแล้วก็หนูประทอนหนูประทนแล้วขนิ่งใายหมายตาหูตาดูยหนูความตากนุ่งตีลูกเบื้องหือทำแต่ความดีจะได้มีปัญญาหรือความเพือ่อละความเพือ่อข้างตัอให้ดีท่านจะมีปัญญาแน่นอนท่านจะพบแต่ความโชคจะพบชีวิตจริงของท่าน มาเะเลงก็กมาถามต้องการมาขยายหาพระไม่เหยพระอย่างอาตมานี่ไงขยายหาพระให้มีประจําประจําใจช่านใจชั่นใจประเสริฐใจชั่นลําเลดุจประการจิตใจชั่งกำมั่นคงจิตใจชั่งจะไม่หล่อแหลกจะไม่เหลวไหลจะไม่ลาเหลื่อมเหลวไหลแต่ประการใดจิตใจก็มั่นคงมืสติดีคนที่มือก็สติดีนั้นมีอตักความสุขคนที่ไร้สติ สรางสติไม่ได้เลยเนี่ยนี่จะความทุกข์และเหงล้อห้ยตลอดไปตามมี่จะความสะสมทุกข์การเจรงญกรามฐานตั้งการสะสมความศึกและในเครื่องคอมพิวเตอร์สะสมสติปัญญาอาลยบทตาหูจมูกคิ้นกายจเหงนหนอเสียงหนอต่งหนอลิ้นเล็กเล็รับเสพหนอกาสําผัดอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละสะสมความศึกตรงนี้ความศึกที่พยายามหอ งานรถกํลังมันอยู่ที่ถัลรหกจะเลดทันจะกำหนดอรียบทต่างๆเส็บไวให้มันดีจะผมได้ดีอย่าให้มอเตอรีมันลื่ออย่าให้เติงงมน้ำที่ตักไว ม, มันเสียวเวลาเติมมันเลี่ยมายุ่งแต่จะอุดเติมจิตใจก็ฟุ้งค้านนาประการต้องอุดทางเลือยงทางหลายแล้วงเ า, าตักน้ำใส่เติมมันก็ได้ไม่หนื่อยมาก ปาน้ำใสตุ่มมากมายใส่พอตุ่มก็เรือดไปหมดปาก็เทียวเวลาแต่เปล่าเหนื่อยเปล่าไม่ได้ประโยชน์ผลจะประสบได้ออกมาอย่างนี้คัดเกินมากเพราะฝ่าเญาิโยมว่อย่างนีทุอย่าหนูต้องทุกข์คำสาทุกข์นห้มันหมดไหมสมบัติอันนี้จะได้เกิดขึ้นจะได้เกิดมันมีสมบัติสยามสมบัตินิทานสมบัตแน่นอนแต่สบัตมนุษย์มันเลยรายจ่ายสวสดสบัตไม่ได้เย เราไม่เจรจาเรานะมาฝึกการอดทนมาขยายหาความดีการแล่ใช่มาขยายหาความเพื่อจะประกอบได้เรามานาัดพบพระในจิตใจคือกรรมฐ า, านมีพระกรรมฐ า, านแล้วจะมีพระบิมิจาร์จิตใจก็เบิกบานน้ำสาทำอะไรก็เป็นมั่เป็นผลจะค้าขายก็รวยสัพิยาสุกก็รวยซื้อดินขายที่ดินก็จะรวยจะเสวยดีก็จะมีปัญญาฮัทเลนะ ก้ะทันจะเอาอะไรมีอทุกข์่ะผ่าไปเที่ยงมันมีอทุกข์อ่ะไปเดินสุายามาเิ่มกันนะครับโดนยิงตายโดนตีโดนทะเลาะวิวาดกันในร้านกาแฟตลอเวลาหนี้หรือความทุกข์ที่มันเกิเป็นในความทุกข์ไอ้ความทุกขที่แท้จริงไม่มีความทุกข์แต่ก็สนจิตก็คือกระเลกระตุ้นปฐามสบำบัดทุกข์แต่ปัญหาชีวิตคือด้วยการจะแก้ไข ความทุกข์กหมดไปความเัลี่ยจังไรยก็หมดไปอับปีจางไรยจะไม่มีกับตนอภบมังคนก็ไม่มีอยู่ในใจนี่แต่นะะมหาบางคนชีวิตชีวิตท่านับเป็นมงคลนชีวิตท่านจะสร้างกุศลกระอดทนต่อการงานแลน้วนาที่จะทางานอะไรก็อดทนตลอดงานไม่เสร็จไม่นอนงานไม่เสร็จไม่กินข้าวนี่ถึงจะอดทนจริงเนี่ยด้อย่างเงี้ยสร้างเต๋อให้มันดีทาความดีเสียให้ได้ จึงได้สร็จใจความว่าการความดียากมากมันยากและเต็สร้างความเขือมันง่ายมันไหลไปอย่าง่ายตามใจตัวตามพันตัวอยู่ในใจตามใจตามอารมณ์ของตนเองจะคขื่อชาสามาอย่างนี้ลยตามใจไม่ได้ธรรมะถึงจะแปลยาดฝืนฝึกฝืนใจให้มืสอสติยาสุดมันล้วนไหลออกไปหม่อมัตต์รีเร็จไปก็มายืน ความรู้กวม่มีม่จงคึกษาไม่จงแสวงหนาะความรู้แต่มาแต่ประการไดแมมัตรมันก็เลือกเกิดไปมาอยู่เยมน้องตายแน่ๆต้องตายแน่ๆมาด้แลชีวิตได้น่านอนก็เกิดไปมาอยู่เหมือ น, นเติมน้าเติดน้ามาอยู่โยนกระอดน้าตายขาดน้ำไหลขึ้นชีวิตขาดคู่คิดชีวิตกันอยู่มีความรู้ตาม ขาดน้ําไม่ได้น้ําอะไรไหนที่น้ําที่มันใสนุ่งก็คือน้ำาจน้ําจท่าบานไหนขาดน้ำใจอยู่ไม่ได้มันยาเลียเล็กเออดบาลีซึ่งกันและกันเลยมีแต่หายนะมีแต่ทะเลอีบาทกันพี่น้องก็แตกพอกันเป็นพี่น้องกันไม่ได้มันเป็นญาติในประจักษ์สนาเลยยังนี้เป็น้นมีลาขาดน้ําถำน้ําไทยน้ำใส ขาดน้ําจขาดดิ่นชึ้นชวีเน่ไม่มีเพื่อกแท่งไม่มีพี่น้องอี ก, กู่ต่างปตมาจึงได้กล่าวให้โยมฟังมาเป็นคติฐานว่าขาดน้ําชื่นชีวิตขาดทีวิตชีวิตเฉยความรู้ก็มีอยู่ในตัวสัญญาตั้งแตมา ก, กับเสี๋ยวความรู้อยูในตำลาแก้ไขปัญหาอย่างนไรมีเงินให้เขาโกงมีความรู้อยู่ในตาล า, า, า, ล า, ม, า, ม, ลามันละ บ, บากอลําบาดใจมาก มีความรู้อยู่ในตำราจะเคยเปิจนลาบากมีเงินเขาพูดจะใายทีก็กต่ยื่กันหูเติรไปหมดหรือหิ้กันหูเิหูเิมันคืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแตจากไปด้วยมีัองเราจะแพร่ห้ยไปเติรไปเมื่อาเย็นไปมีความรู้จะผ่าต้องอยู่ในตำราต้องเคเปิทุกยาเวลาจะแก้ปัญหาไปเปิดตำราเล่นไหนยาก การเจริญปฏิปทาฐานคือข้องกามมีควา ม, มีู้จึตมีความมีที่จารย์และมีนี่มีถิงใครก็ใครตายด้วยเมตตาปัญญาสุดทึน่นีจะอธิบายเมตตาให้ฟังว่าจะมีเมตตาอย่างไรก็ได้แผ่ถึงกุศนก็ได้จะตามใดกุศนจะถึงคนนั้นได้อย่างไรด้วยเมตตาสุดตามฟังนในวันท่นี้จะตายแล้วอนเวทนาสากุการแก่ทำอท่างาร ทีม่มาเจริญกรรมาฐานและขอกราบนมัมกส ก, การลาบบาามม้านขอถ้ำมือสวัสดีมีชัยมีโชคมีใัยมีความสึกความเจริญในครอบผูกขันทั้งสามมือภรยาทั้งบุตรบิดาด้วยแต่ละกระทั่งญาติเวงครงสาโงเคอยันสามดีหวามีความสึกโ ด, เดยเที่องคันเป็นโยงเคยยันมาเฉ่งยงเสดนะคนที่ปฏิบัติกรรมฐ า, านบ้านควรจะเลียบในเวงเคยยันสาแดหว มีความศึกความจเจริญทุก ป, ประการเรียกว่าดวงเทวดาดวงเทวดาแล้วยไม่จะเป็นอาวมนุษย์ไม่จะเป็นยักเป็น ม, าม้าแต่ถ้าจะยนอย่างเสมยอยอกยัางเนี่ยให้เกลียดพึจนรณาการเลือกเวงเทวดาคนที่เหยียบกันไม่ให้เกลียดกันเนี่ยมันกจะอยู่ในดวงเทวันกับประการใดเยียดหยามกันมากนะเหยียดหยามกันไปแล้วก็ถือคนจนไปเหยียดหยามนตนจน มาเดือดแผ่นดังขา่าวมีบบเวงเทวนันเขามาเหยหียหยาดเปนคนเขาไม่ขามเนเล่มแม่งนนพระมายเล่มเขาถึงจะขา้ามอย่างมีเป็นตอนเพราะ่าท่านไหวในวันนี้โดยเจตนาการก็เป็นดังหลายท่ า, า, ง, รรางตลอดตั้งเถือลาในเวลจาเรียกข้าพันพระธรรมจารึกครูอาจารย์ท้งายที่จะออกไปในออสบดอาเห็นท่รรานสงนายสงบแผ่นอาความีนี้ไปเผยแผ่ให้จงได้ ละเราเลื่ยมขายกับคากับธรรมจาริกหเมื่งเประเท็นไม่จลาะเถ้าเป็นพระใจเพชรพระใจสูงเมืองไใจสูงเงื่อนใจเพชรถึงต้องศึกษาเล่าเรียนวิชาปริญญาแตุพยุตก็ขออย่าอยู่แค่นี้เลยควงตั้งนาตั้งตาเพียงขวนขวายเรียนให้มันแจ็บครบทั้งคันเวลาจะไปธรรมจาริกที่ไหนก็ขอให้สันเด็ดความมืองมาตั้งหนาทุกขามทุกเูือทุกนามด้วยการเดินเชี่ยงล่ะับ ขอทานทั้งหมดนี้วจนกระแลนกะเดืออายุยันนาสุขาพราปฏิพานบงศารสามพุทธบาทิม่เคยมงประการบายสมรามุ่งมาตัางถนาดูการทุกขสทุกนานะโอกาสแบบนี้เพิ่มยาพลนข้าวเวนเลกน